เรื่องอำนาจจิตเป็นเรื่องหลักวิชาที่มีความหมายลึกซึ้งและซับซ้อนมากยากต่อการเข้าใจย่อมไม่อาจจะเข้าใจได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน หรือเข้าถึงเรื่องนี้ได้จริงฉะนั้นจําเป็นอยู่เองที่จะต้องทบทวนบ่อยๆฉะนั้นจึงหวังว่าจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าเรื่องอํานาจจิตเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพียงไรและจําเป็นหรือไม่ที่ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องชี้แจงเรื่องนี้มีคุณค่าแค่ไหนแต่ก็ใครจะขอร้องว่า เรื่องนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะเข้าใจถึงสาระที่แท้จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องใช้เวลานา น, านเพียงไรกว่าจะรู้เรื่องนี้โดยตลอดเรื่องนี้ยากมากแต่ข้าพเจ้าก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่ทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องง่ายและที่สำคัญก็คือเรื่องนี้มีหลักเกณฑ์แน่นอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นจึงหวังได้ว่าเรื่องนี้ต่อไปจะต้องมีคนสนใจกันมากและวิชาการในเรื่องนี้ก็จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกับวิชาวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปพรรัตนสุวรรณมกราคม2523อำนาจจิตคืออะไรสิ่งสิ่งนี้จะมีจริงหรือไม่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 ในคืนวันวิสาขานานได้กล่าวไว้ว่ากายวิญญัตและวจีวิญญัตทั้งสองนี้มีจิตเป็นสมุดฐานกายวิญญาตหมายถึงการเคลื่อนไหวทางกายซึ่งมีความหมายเช่นการทำงานของหัวใจเราสามารถอธิบายได้ว่าหัวใจเต้นเพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นขอให้สังเกตว่า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 อย่าลืมว่าจิตหรือวิญญาณมีสองประเภทคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกจิตสำนึกมีปรากฏการณ์เห็นได้ชัดเช่นการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสรู้สึกสัมผัสและความรู้สึกนึกคิดต่างๆสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ของจิตสำนึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าวิถีจิต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 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างละเอียดและสมบูรณ์ยิ่งกว่าใครๆในโลก